พรานใหญ่เดินผ่านใกล้เข้าไปใบหน้านั้นจึงเงยขึ้นช้าช้ามอมาอย่างเขาด้วยสายตานเงียบระพินจะเลยผ่านไปแล้วแต่ก็หยุดชะงักยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองไฟควักบุหรี่ขึ้นมาคาบแล้วก้มลงหยิบฟืนในกองขึ้นมาต่อสูบแกอยู่ยามตลอดทั้งคืนไม่ใช่หรือคืนนี้เขาถามเรื่อยๆครับผู้กองดีแล้วฉันจะขอนอนให้รับสนิทสักคืน ดูแลบริเวณแคมป์ทั้งหมดให้ดีอย่าให้เกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระโจมพักของนายจ้างครับเสียงห้าวต่ำรับคำแล้วริมฝีปากก็ปรากฏรอยยิ้มน้อยๆมองนิ่งมายังเขาบาดแผลของผู้กองปลอดภัยเรียบร้อยหรือครับฉันไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแต่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยดีแล้วแต่มันระโหยหรือเกินอดนอนมาหลายคืนผมได้ยินแว่แวๆว่า ในายใหญ่สั่งให้เลิกเสียเวลาราสัตว์อื่นๆทั้งหมดให้เริ่มต้นตามไอ้แหว่งขอพยักหน้าใช่ทำไมหรืออดีตนายทหารกองโจรกระยงหลบตาชะโงกตัวสุนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองไฟนิ่งเฉยและพินขยับจะพ่าไปแต่แล้วก็ชะงักอีกครั้งหันไปจ้องพินิจ ด, ดูหนุ่มชาวดวงพเนจรผพ้ลุกครับด้วยประกายตาค้นหา ฉันสังเกตมานานแล้วแง่ทา ย, ายรู้สึกว่าแก่จะ ก, กระวนกระวายอยากไปถึงหล่มช้างเสซะโดยเร็วแกต้องการให้เริ่มต้นโดยทางจากที่นั่นเร็วที่สุดทั้งทังที่ความรู้สึกชนิดนี้มันน่าจะเป็นของพวกนายจ้างของเราโดยตรงไม่ใช่ของแกซึ่งเป็นแต่เพียงคนรับใช้ติดตามระผินพูดท่าต่ำแช่มช้าจ้องมองดูใบหน้านั้นตามไม่กระพริบและถามเน้นมาในประโยคท้ายว่าบอกสิ แกมีเจตนาอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินทางมหาวิบากเช่นนี้ฉันจำได้ว่าฉันถามแกมาหลายครั้งแล้วกระเหลี่ยงหนุ่มร่างยักษ์เงยขึ้นศบตาเขาอีกครั้งมือใหญ่แข็งแรงทั้งสองรูปกันไปมาช้าๆอย่างปราจากความหมายผมเพียงแต่มีความรู้สึกว่าเจ้านายไม่ควรจะมาเสียเวลาอยู่กับการเที่ยวราตว์โดยไม่จาเป็นเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นแต่เมื่อเจ้านายต้องการ ผมซึ่งเป็นแต่เพียงผู้รับใช้ก็ไม่อยู่ในฐานะจะแสดงความเห็นอะไรออกมาได้ทั้งสิน้นซึ่งก็คงจะลักษณะเดียวกับผู้กองนั่นแหละผมให้สัตย์ปัิยาะ ว, ว่าการสมัครติดตามมารับใช้ในการเดินทางครั้งนี้เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีแผนการร้ายใดๆทั้งสิน้นผมต้องการเห็นในสิ่งที่เกิดมาไม่เคยเห็นต้องการเผชิญกับสิ่งที่เกิดมาไม่เคยเผชิญอนาคตฝากไว้กับการเสี่ยงเท่าที่แล้วมา ในโรคนี้ผมอยู่คนเดียวไม่มีห่วงหรือข้อผูกมัดผูกพันใดๆทั้งสิ้นดินแดนริรับเบื้องหน้าโพสแง่าสายดีตาลงมองเลยศรีรษะของจอมพานไปในความมืดทึบของบรรยากาศอย่างเรื่อนรอยเสียงที่กล่าวต่อมาเป็นเสียงพุ่มพรมเหมือนกระซิบแสงไฟในกองเพลิงเบื้องหน้าสะท้อนสองแก้วตาและเป็นประกายประราด อะไรจะรอคอยอยู่ข้างหน้าถ้าหากเราค้นมันพบและไปถึงมันอาจเป็นความมืดหรืออาจเป็นความสว่างอันสดใสสําหรับคณะเจ้านายสําหรับผู้กองเองหรือสําหรับผมสวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ได้เทือกเขาพระศิวะที่เราจะมุ่งไปผู้กองก็ทราบว่าไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์ใดๆในโลกนอกจากคําบอกเล่ากันมาต่อต่อ หรือมิฉะนั้นก็จากลายแทงประกอบนิยายเหมือนเรื่องฝันผู้กองคงเคยแววแววข่าวมันมาผมเองก็เคยได้ยินได้เห็นในความฝันในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราไม่ว่าจะเดินด้วยเท้าหรือด้วยพาหนะอะไรอาจไปไม่ถึงมันเลยก็ได้มันเป็นดินแดนจุดนัดพบระหว่างกลางวันและกลางคืนคำพูดของแงสทรา ย, ายทาให้พรานใหญ่งงงันไปด้วยความรู้สึกประหลาดรั้ เขาคงจ้องหน้าหนุ่มกระเลียงผู้ลึกลับอยู่เช่นนั้นแล้วสุดกายลงบนขอนไม้ฝั่งตรงข้ามแกพูดแปลกแง่ า, ายฉันไม่เข้าใจหมายถึงอะไรที่แกบอกว่ามันเป็นดินแดนจุดนัดพบระหว่างกลางวันและกลางคืนแง่ า, ายเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เปลวไฟในกองอันแลบอยู่วอมแวมอีกอาการตกอยู่ในห่วงพวังไม่เคยมีใครไปถึงดินแดนนั้น แล้วกลับออกมาบอกเล่าให้โลกภายนอกรู้เห็นได้นอกจากพระทุดงพมา่าที่อุปการรับผมองค์เดียวเดี๋ยวนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วเราอาจไปแล้วไม่พบมันหรือไปไม่ถึงมันก็ได้เทือกเขาพระศิวะคือสถานที่อาถรรพ์อยู่ในดินแดนสนธยาเป็นถิ่นรับแปลเป็นโลกส่วนหนึ่งที่ไม่มีการสำรวจพบและบันทึกไว้ในรายงานของนักสำรวจคนใดในโลก นอกจากคำบอกเล่าในนิยายที่สืบต่อกันมาหลายชั่วคนก็ไหนแกบอกแต่แรกว่าทินฐานของแกอยู่ที่นั่นนั่นเป็นคำบอกเล่าของพระทุดงที่เลี้ยงผมมาท่านบอกผมเมื่อก่อนท่านจะตายขณะที่ตกอยู่ในความอุปการะของท่านผมยังเป็นทารกเกินกว่าที่จะจำความใดใดไ ด, ไ ด, ได้นอกจากจะรู้โดยการบอกเล่าของท่านเท่านั้นท่านบอกอะไรแกบ้าง แง่าสายสายศีรษะเช่มช้าท่านไม่ได้บอกอะไรผมมากไปกว่าบอกให้รู้ว่าแม่ของผมแล้วหกละเหินออกมาจากดินแดนนั้นพบพระธุดงค์กลางป่าในขณะที่แม่ใกล้จะสิ้นลมแม่ฝากผมซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเด็กเล็กไว้ในความคุ้มครองของท่านแล้วต่อจากนั้นเมื่อผมเริ่มโตขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้ามาให้ผมได้พบเห็นในความฝันมันเลอะเลือนสับสนไปหมด ผมตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งผมจะพยายามกลับไปยังดินแดนอันเป็นที่มานี้ไม่มีความต้องการอะไรมากไปกว่าจะไปให้ถึงและได้เห็นพอผู้กองให้คนประกาศรับสมัครคนใช้ในการเดินทางครั้งนี้ผมก็มาสมัครไม่มีเรกกลหรือแผนทุจริตใ ด, ดๆแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นมันจะเป็นแดนอาถรรพ์หรือแดนสนธยาอะไรก็ตามทีถ้ามันมีอยู่จริงเราก็ต้องไปถึงมันจนได้ แต่สำหรับฉันเองก็ขอบอกตามตรงเหมือนกันว่ายืนอยู่ในระหว่างความรังเลว่าเทือกเขาฟัสิวะจะมีอยู่จริงหรือไม่ที่อาจหานําทางเสี่ยงมาในครั้งนี้ก็เพราะเงินค่าจ้างอย่างเดียวอย่างที่บอกแก่แล้วฉันได้ยินข่าวมันมาแล้วจากพวกพานเก่าวพื้นเมืองที่แก่ตายไปแล้วหลายคนมีนิทานสารพัดเรื่องประกอบอยู่ด้วยหลักฐานบางอย่างที่ได้มาก็ดูจะเป็นจริงเป็นจังน่าคิด ยิ่งมาประกอบกับเหตุผลตามคำบอกเล่าของแกด้วยมันก็ยิ่งทำให้เข้าเ้ามากขึ้นแต่นี่แน่งแงซายแกรู้ได้ยังไงว่าเทือกเขาพะศิวะมีรายแทงบันทึกไว้แกเคยเห็นหรือแงซายสายหน้าอีกครั้งศบตาเขาผมไม่เคยเห็นแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีเขียนขึ้นโดยมือของใครต่อใครในสมัยไหนบ้างและเทจจริงประการใดก็สุดที่จะรู้ได้สาหรับผู้กองถ้าไม่มีแรต ลายแทงเป็นหลักฐานอยู่ในมือบ้างก็คงไม่หานำทางครั้งนี้เพราะอย่างน้อยก็จะต้องอาศัยลายแทงเป็นเครื่องนำทางแกรู้ความจริงแล้วใช่ไหมว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้เพื่ออะไรครับรู้แล้วนายชายกับนายหญิงต้องการติดตามค้นหาคนคนหนึ่งที่หายสาบสูญไปคนคนนั้นเป็นน้องของนายชายเป็นพี่ของนายหญิงเป็นเพื่อนของนายทหารปืนใหญ่ โดยได้ข่าวครั้งสุดท้ายว่าคนสาบศูนย์ผู้นั้นบ่ายหน้ามุ่งเทือกขาวพระศิวะเพื่อจะสแสวงขุมเพชรในดินแดนนั้นระพินจุดบุรีสู่เป็นตัวที่สองตาคมเฉียบของเขามีเป้าหมายนิ่งอยู่เฉพาะใบหน้าคมสันบึกบืนของหนุ่มกระเหลียงพเนจร น, นิ่งไปครู่ก็เอ่ยถามต่อมาแกรู้ข่าวมาก่อนหรือเปล่าหรือเพิ่งจะมารู้ในขณะที่ออกเดินทางมานี่ สายตาของแง่าสายที่มองตอบเขาเปิดเผยบริสุทธิ์ผมได้ข่าวมาก่อนบ้างเหมือนกันก่อนที่จะมาสมัครเป็นคนใช้ข่าวที่ได้มาก็คือเมื่อประมาณปีเศษที่แล้วมามีนักล่าสัตว์ชาวกลุ่มคนหนึ่งพร้อมกับพรานพื้นเมืองลาวโซ้งชื่อหนานอินเพียงสองคนออกเดินทางจากกล่มช้างดงมรณะโดยมุ่งเทือกเขาพระศิวะ ทั้งสองคนออกเดินทางเงียบหายไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพบเห็นหรือได้ข่าวอีกเมื่อปีเศษที่แล้วแกอยู่แถบไหนห้วยเสือร้องผมกำลังตามแรดตัวหนึ่งอยู่ที่แถบนั้นแกได้พบเห็นชายคนนั้นคนที่ใช้ชื่อว่าชดประชากรในระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในป่าบ้างหรือเปล่าผมไม่เคยพบเขาเคยแต่ได้ข่าวการออกเดินทางและจุดมุ่งหมาย ผมออกจากคัวยเสือร้องไห้ในทันทีที่ได้ข่าวเพื่อจะมาดักพบเขาที่หล่มช้างตั้งใจจะขอสมัครติดตามไปด้วยแต่ขณะที่ผมไปถึงหล่มช้างปรากฏว่าเขาได้เดินทางล่วงหน้าไปจากที่นั่นถึงห้าวันแล้วผมออกตามไปได้สองวันในดงมรณะแกะรอยเขาไม่พบและบังเอิญล้มป่วยลงเสียก่อนเพราะถูกงูกัดพระธุดงองค์หนึ่งมาพบผมในขณะที่นอนสรุปอยู่ช่วยแก้พิษงูให้ผมและบอกให้ผมถอยกลับก่อน ท่านยังบอกอีกด้วยว่าให้ผมรอคอยสักระยะหนึ่งการเดินทางของผมที่ตั้งใจไว้ก็จะสําเร็จผมผมเชื่อท่านจึงกลับซึ่งก็พอดีกับที่ผู้กองประกาศหาคนอาสาสมัครเดินทางครั้งนี้ตรงกับคําบอกล่วงหน้าของพระธุดงค์องค์นั้นไม่มีผิดระพินตาเป็นประกายคลางออกมาอืมนี่เป็นข่าวใหม่ทีเดียวที่ฉันรู้ว่าแกเองก็ระแค่ระคายในการเดินทางของชดประชากร และเคยที่จะคิดติดตามไปกับเขาด้วยแต่พลาดกันเสียก่อนแกได้เล่าเรื่องนี้ให้เจ้านายของเรารู้หรือเปล่าแงาสายยิ้มน้อยๆผมไม่ได้เล่าเพราะไม่มีใครถามแต่เมื่อผู้กองถามผมก็บอกตามจริงให้ตายสิแกนี่มันอมพนันเสียจริงพรานใหญ่บ่นเบาๆพร้อมกับจุปป๊บปากเก็บเงียบไม่เห็นแพ่งพายอะไรทั้งนั้น นอกจากจะถูกถามว่าแต่ภาพทุดงองค์ที่ช่วยชีวิตแกไว้จะงูกัดขรานั้นเถอะท่านทำนายแกยังไงอีกบ้างท่านบอกด้วยหรือเปล่าว่าการเดินทางของแกจะไปถึงเทือกเขาฟาศิวาหรือไม่อนาคตข้างหน้าเป็นยังไงท่านบอกผมแต่เพียงว่าอย่าได้พยายามติดตามสองคนนั่นไปอีกให้ถอยกลับก่อนและอีกสักระยะหนึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งตามค้นหาทั้งสองคนนั่นให้ผมรอโอกาสติดตามมากับคณะนั้น ระพินเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนใจในคําบอกเล่าของแง่ทรายความอิดโอยอ่อนเพียาหายไปหมดสิน้นตาสว่างโพลซักต่อมาโดยเร็วน่าประหลาดมากนี่ก็แปลว่าพระธุดงองค์นั้นบอกแกไว้ตรงกับความจริงที่สุดอันหมายถึงว่าท่านต้องรู้หรือมิฉันั้นก็มองเห็นอนาคตอย่างแม่นยําทีเดียวในฐานะที่ขณะนั้นแกก็มุ่งตามทั้งสองคนนั่นแกไม่ได้ถามหรอกหรือว่าทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรบ้าง เขาจะไปถึงเทือกเขาพระศิวะสมกับเจตนามุ่งหมายไว้หรือเปล่าปลอดภัยได้ร้อยดีมีชีวิตอยู่หรือว่าได้รับภัยอันตรายชิ้นไรผมถามแต่ท่านไม่ได้บอกอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ให้ผมถอยกลับเท่านั้นขณะที่เดินแยกจากกันนั้นผมเห็นท่านเดินคล้อยหลังรับปากด่านเข้าไปพอวิ่งตามไปดูท่านก็หายไปเสียแ ล, แล้วยังไม่มีร่องรอยลักษณะของท่านเหมือนหลวงตาองค์ที่เคยอุปการะผมมาไม่มีผิด แล้วก็เรียกชื่อผมได้ถูกโดยที่ผมไม่ได้บอกท่านเลยท่านปรากฏตัวขึ้นเพียงแค่ให้ยากินแก้พิษงูและสั่งให้ผมกลับเท่านั้นไม่ได้อยู่นานหรือพูดอะไรกันมากนะักพรานใหญ่หลี่ตาลงเม้มลิมฝฟีปากแน่นลักษณะท่าทีตามคำบอกเร่าของแง่ า, ายไม่มีอะไรที่จะสอบเป็นเท็จหนุ่มชาวดงพนเจนจรพูดซื่ อ, อความรีรับพิสดารของพระธุดงองค์ที่แง่ า, ายเล่าก็เช่นกัน มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ยากที่จะวินิจฉัยได้ถูกต้องเขาเองแม้จะผ่านโรคที่จเจริญขีดสุดมาแล้วแต่ชีวิตที่ครุกคลีอยู่ในแดนกันดารมันก็สอนประสบการณ์ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าในสิ่งที่โรคเจริญแล้วอ้างว่าเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้นั้นในโรคมืดมันยังมีให้ได้พบเห็นอยู่เสมอและไม่จํากัดเว้นไว้แต่ว่าเมื่อไร่จะเกิดขึ้นเท่านั้นและอย่างน้อยที่สุด ลึกจากกลุมช้างเข้าไปแง่สายก็เคยผ่านเข้าไปก่อนบ้างแล้วและคงจะล้ําดึกเข้าไปมากกว่าที่เขาเองเคยลองเข้าไปสำรวจมันเป็นดงดําป่าดึกดําบรนต้นไม้แต่ละต้นไม่ต่ากว่าสิบคนโอบขึ้นไประอุอ้าวอับชื้นชนิดที่ไม่น่าจะมีมนุษย์คนใดเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะเต็มไปด้วยสรรพอันตรายรอบด้านรวมทั้งสรรพสัตว์ร้ายนาๆชนิดที่ไม่เคยสำรวจพบกันมาก่อน นั่นเป็นเพียงปากทวาวรเบื้องแรกของทิศทางที่จะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะเท่านั้นไกลออกไปกว่านั้นไม่รู้อีกสักกี่ดงกี่ทุง่งหรือกี่ขุนเขาธุรกันดารตลอดระยะทางมันจะลำบากยากเย็นสักแค่ไหนในการที่จะดำรงชีวิตผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพหนทางนั้นแหละที่ชดประชากรหรือหม่อมราชวงอนุชาวราริศบุกบ่านฟันฝ่าร่วงหน้าเข้าไปแล้ว โดยไม่มีใครรู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวมาจนบัดนี้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วนึกถึงมาตอนนี้เขามองเห็นภาพวาระสุดท้ายของเนวินหนุ่มนักเสี่ยงโชคชาวพม่าที่มาตายในอ้อมแขนของเขาผุดเด่นขึ้นอีกครั้งลักษณะท่าทีของเนวินก็ดีคำพูดทุกประโยคก็ดีมันติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งปัจจุบันชนิดไม่มีวันลืม เนวินผู้เป็นเจ้าของลายแทงของบรรพบุรุษตนเองที่มอบต่อมาให้เขาเนวินผู้สังเวยชีวิตให้กับความทะเยอทะยานมุ่งหวังในโชคราบมหาศาลซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในท่ามกลางแดนสนธยาถิ่นมรณะจนกระทั่งในที่สุดมฤตยูคร่าชีวิตของเขาไปเสียบัตรนี้ระพินยอมรับกับตนเองว่าเป็นการยากเหลือเกินที่จะหวังว่าหม่อมราชวงอนุชาได้ผ่านพ้นเมืองของเขา ยังมีชีวิตเหลืออยู่เพื่อรอคอยให้ติดตามค้นพบลักษณะการตายของเนวินย่อมจะยืนยันให้รู้ชัดเปรียบเทียบอยู่แล้วฉันต้องการความเห็นอะไรจากแกสักอย่างหนึ่งแง่ท า, ายในที่สุดเขาเอ่ยขึ้นแผวตำ่ำสีหน้าเคร่งเครึมเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เปลวไฟในกองที่เดียวกับแง่าสายซึ่งจ้องอยู่ก่อนหนุ่มกระเรียงผู้รึกอรับเหลือบแวบบมองดูจอมพราน ท่านต้องการความเห็นอะไรจากผมชดประชากรคนนั้นและพินพูดเบาเหมือนกระซิบแก่คิดว่าเขายังมีชีวิตรอคอยหรือเปล่าและไปถึงเทือกเขาพระศิวะหรือเปล่าแง่าสายนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ลมดึกพัดปะทะใบไม้ไหวระทบกันแสกสากและมีเสียงช้างร้องแว่วมาจากขบเขาลึกสลับไปกับเสียงเห่าหอนของหมานายที่มาจากด้านตรงข้าม ไม้สดบางกิ่งอันเป็นฟืนอยู่ในกองไฟประทุเบาๆถ้าเขาไปไม่ถึงเทือกเขาพระศิวะเขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ครับในที่สุดแง่ท า, ายก็กล่าวขึ้นอย่างระมัดระวังหมายความว่าอยังไงที่แกพูดว่าถ้าไปไม่ถึงก็อาจจะมีชีวิตรอดอยู่ก็ถ้าเขาไปถึงจุดหมายนั้นล่ะเขาจะต้องตายเงั้ยล่ะมันมีอะไรแตกต่างหรือมีเหตุผลตามความรู้สึกของแกอย่างไรในทั้งสองข้อนี้ เป็นครั้งแรกที่รพินเห็นแง่ท า, ายถอนใจเบาๆนิดเดียวเท่านั้นแล้วรอยยิ้มที่ดูบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆก็ปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากคู่นั้นผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับผู้กองว่าอะไรทําให้ผมมีความรู้สึกเช่นนั้นแง่ท า, ายชะงักไปครู่เกียรไฟในกองแล้วก้มลงเปล่าให้ลูกโชนขึ้นกล่าวต่อมาโดยไม่มองหน้าเขาผู้กองคงจะเคยได้ยินนิยายเรื่องที่ผมกําลังจะพูดถึงนี่มาก่อนบ้างกระมัง เล่ากันมาต่อๆ อ, อย่างไม่มีหลักฐานว่าภายในที่ราบรุ่มอันกว้างใหญ่อยู่ในระหว่างทิวร้อมของเทือกเขาพระศิวะยังมีนครรับแรอยู่นครหนึ่งเรียกกันว่ามรกตนครชนที่เป็นชาเจ้าของอาณาจักรในความฝันนี้จะเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดก็ไม่มีใครสามารถบอกถูกแต่เชื่อหรือสมมติกันว่าน่าจะเป็นชนเผ่าที่เคยเป็นเจ้าของแผ่นดินสุวรรณภูมิเดิมหรืออะไรเทือกนั้น เคยเจริญรุ่งเรืองมีอารยาธรรมของตนเองมาแต่โบราณกาลหลายพันปีแต่ปัจจุบันนี้ถูกความอาถรรพ์รีรับบรรดาลให้นคร น, นี้ตกอยู่ในม่านหมอกไม่สามารถจะติดต่อกับโลกภายนอกได้นับเป็นพันพันปีมาแล้วเหมือนจะถูกแยกเป็นอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะและไม่พอใจต้อนรับอารยาธรรมหรือการติดต่อใดๆจากโลกภายนอกทั้งสิน้นคงสภาพความรู้สึกนึกคิด และสิ่งแวดล้อมเป็นอาณาจักรโบราณอยู่เช่นนั้นตลอดมามีบ้านเมืองมีปริชากรมีทหารและกษัตริย์ปกครองกันเองโดยเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับใครทั้งสิ้นมีความเจริญเทียบเท่าชนในยุคพันปีมาแล้วจะพึงเจริญได้ถึงขีดสุดพรานใหญ่ยิ้มพรายก้มศรีรษะลับใช่ฉันเคยได้ยินนิยายหรือนิทานเรื่องนี้มาจนคุ้นหูแล้วจากหนานพร พานเก่าแก่เมื่อสมัยที่ฉันยังเด็กอยู่และได้ยินมาจากใครแต่ใครอีกหลายคนรวมทั้งในหนังสืออ่านเล่นหลายเล่มของนักประพันธ์ช่างโกหกชื่อเสียงก้องโลกหลายคนที่แต่งเอาไว้แง่าสายยิ้มตอบแต่เป็นยิ้มที่เย็นเยือกลึกซึ้งตาเป็นประกายพร่างพราวจับแสงไฟนั่นแหละครับจะเป็นนิยายหรือเรื่องกุกกันขึ้นอะไรก็ตามกล่าวกันต่อไปในเนื้อหาของนิทานนั่นอีกว่า ชนเผ่านี้แหละเป็นเจ้าของแหล่งขุมเพชรพระอุมาซึ่งตั้งอยู่ณสถานที่หนึ่งภายในอาณาจักรแห่งนี้ถือเป็นสมบัติอันหวงแหนที่จะต้องปกปากพิทักษ์เอาไว้ชั่วกับประวสารโดยไม่ยอมให้คนแปลกหน้าต่างถิ่นคนใดแพ้วผ่านเข้าไปแต่ต้องได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งจากโลกภายนอกสามารถจะค้นพบทางเข้ามรากกนครเมืองรับแร่ที่ว่านี่ ผู้กองคิดว่าเขาคนนั้นควรจะมีชีวิตรอดอยู่อีกหรือครับแล้พินนิ่งงันไปอีกมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างฉับพลันนั้นว่าสมมุติว่าคณะนายจ้างของเขาซึ่งกําลังนอนหลับสบายอยู่ในขณะนี้มีโอกาสได้มาฟังสิ่งที่เขากําลังสนทนาอยู่กับแง่าสายามนี้คงจะดีไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นสนุกสนานน่าระทึกใจและขบคิดเล่นตามธรรมเนียมของนิยายดิ่มกองไฟในป่าทั้งหลาย เขาคิดไม่ถึงมาก่อนว่าคำว่าขุมเพชรพระอุมาก็ดีหรือคำว่ามรกรณนครเมืองละแปลก็ดีที่เขาเคยได้ยินได้ฟังแบบนิยายประามราของบ้านป่าแถบนี้มานานนมจะมาได้รับฟังอีจากหนุ่มกะเลียงพระเนจรผู้สมัครเป็นคนใช้อาศาติดตามไปด้วยถ้างั้นจอมพรานพูดพร้อมกับเลือกคิ้วหัวเราะเบาๆก็แปลว่าแกคือคนหนึ่งของชนเผ่านั้นนะสิเพราะแกยอมรับอยู่ว่า ดินฐานของแกอยู่ที่นั่นถ้าพ่อทุดงที่เลี้ยงผมมาท่านนั่งอยู่กับเราในที่นี้ด้วยเราจะได้คำตอบที่ตรงที่สุดครับผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งบอกเล่าให้ฟังมาเท่านั้นแล้วแกชื่อว่ามรกตนครเมืองรับแลตั้งอยู่ในหุบเขาพระศิวะมีจริงก็ผู้กองเชื่อหรือครับว่าขุมเพชรพระอุมามีจริง แงสาย้อนมาต่ำๆจ้องตาเขานิ่งยิงฟันขาวขณะที่รพินนิ่งไปอีกก็กล่าวต่อมาเนิบๆแชม่มช้ามันผูกพันกันอยู่สามสิ่งครับผู้กองถ้าเทือกขาวพระศิวะมีจริงขุมเพชรพระอุมาก็มีอยู่จริงมรกรนครเมืองรับแพรก็จริงตามนั้นด้วยสำคัญที่สุดก็คือเราจะค้นพบเทือกขาพระศิวะหรือไม่เท่านั้นนั่นเป็นประการแรก ถ้างั้นฉันก็พอจะได้คําตอบในการอาสาสมัครเดินทางมาในครั้งนี้ของแก่แล้วแกต้องการสแสวงหาโชคราบเกี่ยวกับสมบัติมหาสารตามคําบอกเล่านั้นใช่ไหมแหนะสา ย, ยิ้มกว้างยืดตัวตรงสันสีษะช้าช้าผมขอปฏิญาณต่อหน้ากองไฟนี้อีกครั้งผมไม่ได้ไปเพื่อจะสแสวงหาโชคราบในสมบัติอย่างที่ผู้กองว่าและถ้ามันมีจริงผมจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวแตะต้องหรือเหลียวแรมันเลย ผมปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามารากฏนครมีอยู่จริงนั่นคือแหล่งกาเนิดของผมผมต้องการจะกลับไปเห็นเราไม่มีอะไรขัดกันเลยครับระหว่างสามฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งคณะเจ้านายหรือในจ้างของเราท่านต้องการเพียงค้นให้พบน้องชายที่หายสาบสูญไปฝ่ายที่สองคือท่านและพรานของท่านที่ต้องการค่าจ้างนาทางและผลส่วนแบ่งพลอยไดจากโชคราบต่างๆที่จะค้นพบ ฝ่ายที่สามคือผมต้องการเพียงจะไปเหยียบให้ถึงแดนอันเป็นที่เกิดเป้าหมายมุ่งหน้าอันเดียวกันคือเทือกเขาพระศิวะเป็นจุดแรกระพินลุกขึ้นยืนชา้าช้าเอาละการคุยกับแกคืนนี้มันทำให้ฉันสะดวกใจขึ้นมากต่อไปนี้ฉันเห็นจะไม่ต้องมานั่งสงสัยถึงเรื่องที่แกอาสาสมัครเข้ามาเสียทีเทือกเขาพระศิวะขุมเพชรพระอุมามรกตนครมันจะมีอยู่จริงหรือไม่ ถ้าไม่ตายสิก่อนเราคงจะได้รู้กันในอนาคตข้างหน้าแต่สิ่งแรกที่ฉันควรจะบอกให้แกรับรู้ไว้ด้วยก็คือเป็นที่นอนเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราจะออกติดตามไอ้แหวงกันเป็นจุดประสงค์สุดท้ายก่อนหน้าการเริ่มต้นเดินทางจริงที่หล่มช้างตามคำสั่งของนายจ้างและฉันต้องการแกร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วยในฐานะพรานคนหนึ่งนอกเหนือจากหน้าที่คนรับใช้ส่วน หัวหน้าของคณะนายจ้างแกมีอะไรจะขัดข้องไหมสุดแต่ผู้กองจะสั่งทุกอย่างครับถ้า ง, งานเตรียมตัวไว้คณะนายจ้างของเราทั้งสามคงจะต้องการล่าจ้ช้างครั้งเสี่ยงอันตรายที่สุดนี้ทั้งสามคนเราต้องการพรานคุ้มกันเขาอย่างน้อยนายจ้างหนึ่งคนต่อพรานสองคนเมื่อได้แก่มาช่วยอีกคนหนึ่งเช่นนี้ก็ครบจานวนพอดีแง่าสายก้มหัวรับอย่างดุษฎี รับพินก้มลงคว้าปืนคู่มือเดินพระมาที่กลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาที่นอนรวมกันอยู่พวกนั้นนอนกันในลักษณะหลับหลับตื่นตื่นพอเห็นพรานใหญ่กลับออกมาจากเต็นท์ในจ้างตรงเข้ามาก็ผุดลุกขึ้นต้อนรับนายเมย์หัวหน้าลูกหาบที่นอนอยู่ไม่ห่างออกไปนักก็ตรงเข้ามาร่วมด้วยพรานใหญ่ประชุมบอกความกับคนเหล่านั้นและสนทนาอีกกลู่ก็ล้มตัวลงนอนเขาคิดว่าจะหลับลงได้อย่างเร็วที่สุดแต่ตรงกันข้าม สมองคุ้นคิดอยู่แต่สิ่งที่รับฟังจากแง่สายอยู่อีกเป็นเวลานานกว่าที่จะผ่อยรับไปพร้อมกับความฝันอันสับสนยุ่งเหยิงเช้ารุ่งขึ้นเมื่อคณะนายจ้างทั้งสามตื่นขึ้นและออกมาจากกระโจมพักก็ได้ทราบจากแง่สายว่าพรานใหญ่สั่งให้เกิดกับเสยพร้อมเกวียนคันหนึ่งและลูกหาบอีกสามคนออกเดินทางไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปรัเลียงเนื้อกะทิงและเสือที่เขากับชยยานยิงไว้เมื่อวาน ทั้งเชษฐาชายยานและดาลินประหาดใจเล็กน้อยที่มองไม่เห็นระพินกับบุญคำและจันทร์อยู่ในบริเวณแคมป์ด้วยในขณะนั้นแต่เมื่อสอบถามหัวหน้าลูกหาบจึงได้รับในงานว่าพรานใหญ่กับคนของเขาทั้งสองเดินออกจากแคมป์ไปก่อนหน้าที่คณะนายจ้างจะออกมาจากเต็นต์เล็กน้อยตัดไปทางหนองน้ําเบื้องล่างไม่ได้สั่งความใดๆ ไ, ไว้แต่ก็ไม่ได้กับพวกที่ให้เอาเกวียนไปบรรทุกเนื้อคงจะออกไปสำรวจป่า ในระแวกกล้ๆนี่แหละประเดี๋ยวก็คงกลับเชิดฐาดาวนิสัยของพรานใหญ่ถูกบอกกับเพื่อนและน้องสาวว่าตื่นช้าแล้วทีเดียวนะยังตื่นไม่ทันเสือนี่หมอช่างทระหดเสียจริงเมื่อวานนี้เจ็บตัวอยู่แท้ๆพอเช้าวันนี้โซกบุกป่าอีกแล้วความจริงควรจะพักเสียบ้างชัยยานบ่นอย่างเป็นห่วงตัวเขาเองถึงแม้จะเริ่มเคยชินกับการบุกป่าฝ่าน้ําขึ้นเป็นลำดับแต่ภายหลังจากหลังแตะพื้นเมื่อคืนก็หลับเป็นตาย และในตอนเช้าก็แทบจะลุกขึ้นไม่ไหวเพราะตากต่มมาตลอดทั้งวันและคืนของเมื่อวานอดประราชใจไม่ได้ที่เห็นนพินตื่นแต่เช้าออกสำรวจป่าอีกทั้งๆ ท, ท, ที่ได้รับบาดเจ็บนึกไม่ออกว่าพรานใหญ่เอ้เรี่ยแรงความอดทนเป็นพิเศษชนิดนี้มาจากไหนคอยดูนะถ้าแผลที่เย็บไว้เมื่อคืนนิปริหรือเกิดอักเสบขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเอารวดเย็บซ้าจริงๆด้วยนพินพูดอย่างฉวเว เช้าวันนี้สิ่งแรกที่หลอนนึกถึงก็คือต้องการสอบถามอาการและตรวจบาดแผลของเขาแต่ปรากฏว่าคนเจ็บของหลอนบุก ป, ป่าไปเสียแล้วพอแดดเริ่มแรงพานใหญ่กับคนของเขาก็โผล่กลับมาจันหาบตัวนิ่มที่ยังเป็นเป็นมาด้วยสองตัวส่วนบุญคำหิ้วกรงไม้ที่ทำขึ้นอย่างฉาบฉวยหยับๆย บ, ยบมาด้วยกรงหนึ่งมีไก่ฟ้าประเภทพยารอซึ่งมีขนเลื่อมพายงดงามทุกรังอยู่ในนั้น เดินยิ้มกลิ่มตรงเข้ามาหาคณะในจ้างซึ่งขณะนี้กำลังนั่งสนทนาการที่แท่นหินเรียบใต้โคนต้นตะเคียนใหญ่พอเข้ามาถึงบุญคำก็ส่งกลงพยารอให้กับดาลินร่อนร้องอุทานเสียงแหลมออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้นยินดีรับกลงมาจ้องดูเจ้าสัตว์ปีกขนงามตัวนั้นด้วยในตาเบิกโตถามไดเร็วตายสวยจังบุญคอะไรนี่ไก่ฟ้าเหรอบุญคำหัวเราะเห็นเหงือก ไม่ใช่หรอกครับพยารอน่ะนี่น่ะเหรอพยารอเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวสักทีได้มายังไงกันนี่ชัยันซักชะโงกเข้ามาดูอย่างสนใจจันมันวางแล้วดักไว้สองวันแล้วครับเพิ่งจะมาติดเอมื่อเช้านี้เองมันบอกว่าได้ยินนายหญิงบ่นอยากทานไก่อบปี๊บมาหลายวันแล้วมันออกไปหาไก่ไม่ได้เลยสองสมวันนี่ไก่มันรู้แกวไม่ยอมไม่เห็นตัวเลยเลยต้องใช้วิธีดัก ไม่ได้ไก่ไอตัวนี่ก็เนื้อวิเศษพอกันหละครับไม่เหนียวเหมือนไก่ฟ้าด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมจัดการเชือดคอให้เองบ้าดาลินร้องเสียงโลงลืมตาพงอะไรจะเชือดคอมันกำปั้นนี่แน่อ้าวก็นายหญิงไม่อยากทานไก่อบปี๊บอย่างว่านั่นหรอกหรือครับบุญคำหน้าตื่นหญิงสาวค้อนปรับเลือกแล้วหัวเราะ อ, ออกมาอย่างโมโหใจร้ายยิงบุญคานี่ ฉันไม่ใจถ้ามีหินชาถึงกับจะให้เชื่อดคอเจ้าตัวน้อยน่ารักอย่างนี้หรอกเสียวจังเห็นอุตส่าห์ต่อกรงหิ้วมาให้ดีใจนึกว่าจะเอามาเป็นของขวัญให้เลี้ยงไว้ดูเล่นหน่อยแน่ที่แท้ก็จะให้เอามาทำไก่อบไม่หรอกอยาดักมันมาให้เป็นเป็ น, ปนอย่างนี้ก็ดีแล้วฉันจะเลี้ยงมันบุญคำหัวเราะชอบใจพอดีกับที่พ่านใหญ่ผู้หยุดแวดื่มกาแฟที่กาซึ่งแงซายตั้งไว้บนโคถินก้อนหนึ่ง เดินเข้ามาถึงพร้อมกับบอกว่าบุญคำร้อเล่นนะครับคุณหญิงผมเองจะเชื่อคอมันเสียแล้วแต่บุญคำขอไว้เองบอกว่าจะต่อกงเอามาฝากคุณหญิงให้ดูเล่นหล่อนหันขวับไปทางรพินโดยเร็วร้องขึ้นอ้อที่แท้คนอมาหิตใจดำที่สุดก็คือคนที่ยืนอยู่นี่เองยังมีหน้ามาบอกอีกแล้วหล่อนก็หันไปทางบุญคำยิ้มด้วยขอบใจมากบุญคำนี่เป็นของขวัญที่ฉันถูกใจที่สุด อ๋อนี่เราจะคิดเลี้ยงพญาลอเสร็จแล้วเหรอชายันถามดาลินก้มลงพิจารณาเจ้าสัตว์ขนปีกวิจิตการตาในกลงพยายามจะดิ้นล่นหาอิสรภาพอย่างพอใจบอกว่าเอาไว้ดูเล่นงั้นเองแหละฉันจะเลี้ยงมันไว้จนกว่าจะไปถึงหล่มช้างแล้วค่อยพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าจะจัดการยังไงกับมันฝากพวกกะเลียงที่หล่มช้างเลี้ยงไว้ให้จนกว่าฉันจะกลับมาหรือไม่ถ้าลาบากนักก็จะปล่อยมันที่นั่น แล้วหล่อนก็หันไปมองดูเจ้าสัตว์หนังเป็นเกร็ดนาที่ขดตัวแทบจะเป็นก้อนกลมติดอยู่กับปลายไม้ทั้งสองข้างที่จันวางลงกับพื้นนั่นตัวอะไรนะ่ะตัวนิ่มครับจันยิ้มแห้งๆบอกมาด้วยเสียงเนอเนอฮะตัวอะไรนะตัวนิ่มหรือลิ่นยังไงนะครับคุณหญิงไม่รู้จักหรอกหรือระพินตอบแทนมาให้หล่อนกระพริบตาปริบๆสันศีรษะ อะไรการตัวนิ่มตัวลิ่นไม่เคยได้ยินแล้วแบกกันมาทำไมนี่ตัวไม่น่าดูเลยโท่นี่รหะครับทานอร่อยนักบุญคำว่าพร้อมกับหัวเราะดาดินมีสีหน้าพิกลตัวน่าเกลียดอย่างนี้น่เหรอกินอร่อยว้าจะอาเจียนไอเรามันไม่รู้อะไรสักอย่างในเรื่องของป่าแล้วยังอยากตามมาด้วยอย่างนี้ต้องบังคับให้ลองกินอะไรแปลกๆดูสิ บ, บ้างจะได้รู้จักไว พี่ชายพูดเสริมขึ้นแล้วมองไปทางพรานใหญ่ถามยิ้มยิ้มไปไหนมาแต่เช้าละพินออกไปใกล้ๆในละแวกไม่เกิน2กิโลเมตรนี้เองนะครับละพินตอบซุดตัวลงนั่งบนหินงอกก้อนหนึ่งปลดผ้าของม้าที่เคียนเอวอยู่ออกมาซับเหงื่อตามใบหน้าได้ลำคอ